ทีนี้ต่อไปถ้าสัญญาก็ทั่วๆไปนิยมแปลว่าจาเนี่ยนะแปลว่าจำจาคือจำสีเขียวสีขาวสีเหลืองอ่ะนะถ้าสังขาร50ชนิดก็แยกไปเถอะมีความพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวอยู่50ชนิดด้วยกันถ้าวิญญาณเนี่ยนะนับหนึ่งก็ได้นับสองก็ได้นับสามก็ได้นับสีก็ได้แล้วแต่จะเลือกนับอ่ะนะ เช่นนับหนึ่งคือวิชวิสยะวิชานนะลกคณังถ้ากำหนดก็คือกำหนดความพิเศษของวิญญาณหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์นนะวิสยะวิสยแปลว่าอารมณ์วิชานนะแปลว่าความรู้รู้แจ้งนะรู้แจ้งซึ่งอารมณ์อันนี้คืว่าพูดถึงความพิเศษ น, นะวิเศษตัวนี้นะถ้าแปลงมาเป็นสำนวนไทยๆจะแปลว่าอย่างี้พิเศษ คือไทยเนี่ยจะนิยมเขียนแบบสันสกฤตแต่อ่านแบบแคล้ายๆบาลีเพราะฉะนั้นมาจากคำว่าเสสะตัวนี้นะก็เป็นเป็นสอบนอะแล้วก็วิก็เป็นพอพานซะก็เป็นเรียกว่าพิเศษความพิเศษของแต่ละขันเห็นทีนี้ถ้าว่าโดยความพิเศษหรือความเฉพาะตัวสภาวะธรรมเหล่านี้นะได้เท่าไหร่ได้71 มีสภาวะเฉพาะตัวอยู่71็สิบอชนิดตอนนี้ผ่านอีกหนึ่งไม่เอาใช่ไหมนิ่ผานไม่ไม่ไม่พูดถึงตรงนี้ที่เป็นขันเ น, นอ่รูปนับ18ดนะที่ว่าเจนะ็เอดในรูปนับส8บดเวทนานับหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารห้าสิบบิณานับหนึ่งแต่ว่าในวิเศษนรูปมีมากกว่านั้นจริงๆมีแค่สิบแปด อนนะส่วนอีก10รูปอาณิผันนรูปนั้นไม่มีมันเป็นตัวที่เข้าไปอาศัยเขาเฉยเฉมันไม่ใช่รูปที่ที่ควรมาเจริญวิปัสนาอะไรเพราะไม่มีสภาวะอะไรเป็นของตัวเองไปแฝงเขาอยู่เฉยเนั<ช>่นครูบาอาจารย์ก็เอาใส่ไว้ให้ดูด้วยอ่าเรื่องลักษณะที่จกาทก็ใส่ให้ดูเพื่อที่จะกับว่าคือสิ่งแบบนี้ก็มีอยู่นะอ น, นะ แต่ว่าไม่ใช่สภาวะรูปเป็นอาสภาวะคือไม่มีสภาวะอย่างวิญญติเนี่ยไม่มีสภาวะเป็นของตัวเองอะไรอย่างอะไรนะอุปจารยสันตติชรตาณิตาอย่างเงนะี้ยมันก็ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองมันเป็นคือคือพูดถึงความเป็นไปของพวกรูปเหล่านี้นั่นแหละเป็นอาการของปเป็นเรียกว่ายังไงเอาไปคิดเอากันแล้วกัน ทีนี้ถ้าพูดถึงอันนี้พูดถึงวิเศษกับปัจจารลักษณะของของขันนะเป็นอย่างนี้ถ้าสามัญ น, นะนะก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานะั่นนะถ้ากำหนดว่ามันเหมือนกันหมดเลยของขันทุกขันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา การมากล่าวเพื่อความไม่กล่าวว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะผู้ที่มาเปิดเผยไอลักษณะอันนี้คือใครพระพุทธเจ้าอนนแต่ปกติแล้วอันนี้จะลักษณะกับทุกขลักษณะก็พอรู้โดยทั่วๆไปนะทั่วๆไปก็นอกคําสอนก็พอรู้คืออันนีจะลักษณะกับทุกขลักษณะแต่อนัตตลักษณะไม่ไม่ไม่มีใครรู้แต่จริงๆก็คือสิ่งเดียวกันว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจริงๆก็ทั้งหมดนั้นก็คือขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการกล่าวโดยความไม่เที่ยงเพื่ออะไรเเเพื่อที่จะได้อะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปติดข้องกับมั น, ม, นมันมีอยู่เท่านี้จริงๆ เนี่ยนะนี้ถ้ากล่าวว่าตัวสภาวะเฉพาะตัวเฉพาะตัวทั้งหลายเหล่านี้นะตัวสภาวะทั้งหลายเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสังคตะธรรมเพราะตัวเขาเองเนะี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งตัวนี้เป็นสังคตะแต่สังคตะเหล่านี้ก็แบ่งลักษณะออกเป็นสองสองกลุ่มเนี่ยน ะ, ะลักษณะนั้นเป็นเป็นเป็นเรื่องของผู้ที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเข้าไป ไปคร่ครวนเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมก็ก็แบ่งกันว่า <c oughs> กลมนี้เป็นตรีรณาปริญญาคือพระพุทธเจ้าเอาเอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงเพื่อที่จะประกาศอะไรจะได้รู้ว่าทั้งหมดนี้คือทุกขสัตว์นะความเป็นทุกขสัตว์มันเป็นอย่างนี้นะ หรือว่าความสามัญทั่วไปมันเป็นอย่างนี้แต่การ เ, าเรียนรู้สภาวะเฉพาะตัวของของขันทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเพื่อละส ก, กายะทิ่ผิเห็นไหมทีนี้ถ้าผู้ที่กำหนดปัจจัยทั้งหลายนะก็นามเป็นปัจจัยแก่รูปบ้างรูปเป็นปัจจัยแก่นามบ้างนะจริงๆแล้วคำว่าปัจจัยก็คืออะไรก็คื อ, อตัวที่มันสามารถทำให้ ให้รูปหรือให้ขันทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปัจจัยกับปัจยุบันก็ยังกําหนดในเรียว่ายังกําหนดลักษณะอยู่ดีเออคือขอภายยังพิจารณาไปที่ลักษณะที่พิเศษหรือว่าปัจจัตะอยู่ดีเพราะว่าไอ้ความเป็นที่เรียกว่าพิจารณาแบบปัจใจนะก็คือพวกนี้มันเป็นปัจจัยยังไงกันเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นปัจจัยอะไรการเช่นว่ารูปเป็นปัจจัยแก่เวทนายยังไง รูปเป็นปัจจัยแก่เวทนาบางอย่างในฐานะวัตถุบางอย่างในฐานะอารมณ์เนี่ยนะบางอย่างในฐานะอุปนิสัยเนี่ยนะแล้วเวทนาเป็นปัจจัยแก่รูปยังไงนะบางอย่างก็เป็นปัจจัยในลักษณะจิตต่ชรูปเนี่ยนะถ้าสังขารเป็นปัจจัยแก่รูปเป็นได้ยังไงในฐานะกรรมมชรูปเป็นต้นเนะคือก็เอาพวกนี้มาวิเคราะห์โดยปัจจัยกลับไปกลับมาจริงๆก็ยังพิจารณาตัว ปัจจะตะกับวิเศษสะอยู่ดีเนี่ยนะยังเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ดีทีนี้พอพอมีการแยกแยะพร้อมทั้งปัจจัยปัจจัยนี่แหละมันเป็นตัวกำหนดให้อะไรเป็นอดีตเป็นอนาคตและปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาการเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยนี่แหละเป็นตัวให้รู้การถ้าไม่เอาปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะมีเฉพาะอะไรถ้าถ้าไม่เอาการมา ม, ม, มถ้าถ้าเอาแต่ปัจจุบันเข้ามาใเฉยๆมันก็ไม่มีปัจจัยอะไรเนี่ยนะมันคําว่าการเนี่ยนะมันเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติให้รู้ว่าเช่นอดีตคือเคยมีแล้วนะนะซึ่งซึ่งสูตรต่อไปนะสู่ต่อไปนะี่ยบอกว่าความมังเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่านัยปรากฏแล้วความเสื่อมแห่งธรรมะเหล่านัยปรากฏแล้วความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะเหล่านันที่ตั้งอยู่ แล้วปรากฏความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าไหนจักปรากฏความเสื่อมแห่งธรรมะเหล่าไหนจักปรากฏความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะที่ตั้งอยู่แล้วเหล่าไหนจักปรากฏความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าไหนย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งธรรมะเหล่าไหนย่อมปรากฏความเป็นอย่างอื่นแห่งธรรมะที่ตั้งอยู่แล้วเหล่าไหนย่อมปรากฏอันนี้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าถามพระอนนนะพระอนุนก็บอกว่าขันห้านั่นแหละคือคาว่า ที่ล่วงไปแล้วล่วงแล้วภาษาธรรมะเนี่ยภาษาไวยากรเนี่ยนะถ้าบอกว่าแล้วก็บอกถึงอดีตการอ่านะถ้าจัก อ, อยู่ย่อมจ่านะถ้าจ่เฉยๆเนี่ยอยู่ย่อมจ่าเนี่ยปัจจุบันแต่ถ้าจักภวิสติเนี่ยนะจักอันนั้นเป็นอนาคตอ่านะอันก็แบ่งออกเป็นสามอย่างนี้ก่อนนะอดีต อนาคตกับจริงๆเอาเอาปัจจุบันมาตั้งนะปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตคือสิ่งที่ใช้คําว่าแล้วล่วงแล้วผ่านแล้วเลยแล้วอะไรแล้วแล้วทั้งหลายแล้วนะถ้าเป็นปัจจุบันก็ว่าสับสับทางไวยากรณ์เขาจะสอนว่าอยู่ย่อม จะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบ่งถึงว่ากําลังพูดปัจจุบันอาการอ ย, อยู่ย่อมจะนั่นนะนนเช่นวิหา ร, ต, นนะหารติเนี่ยนะติตัวนั้นติอันติสีฐามีมะติตัวนั้น น, ะ น, น, น, น่ยบอกว่าย่อมก็ได้ห น, นักๆจะไปเรียนไวายกากรณบ้างนึ่นะอนาคตเนี่ย จ, จักอันนะั้นภวิสติเนี่ยนะจักเช่นว่าสิ่งใดที่ที่ล่วงแล้วอ่ะมันปรากฏ สิ่งใดที่กําลังเป็นอยู่แล้วมันปรากฏสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นแล้วปรากฏอันนั้นคืออะไรก็บอกว่าคำตอบคือขันห้าอันนี้ก็ขันห้า น, นี่ก็ขันห้าเดี๋ยนะขันห้าที่มันล่วงไปแล้วอะ่ะคือมันเคยปรากฏแล้วอ่านะ หังการการพิจารณาว่าเออขันห้าที่ผ่านไปแล้วว่ามันเคยมีแล้วแต่มันไม่เหลือแล้วขันห้าในอนาคตเนี่ยนะมันจกมีแต่มันยังไม่มีไอขันห้าปัจจุบันมันกำลังมีเนี่ยนะมันกาลังมีทีนี้พอพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ในฐานะขันห้าก็ก็มาว่าตามปัจจัยไปันว่าขันในอดีตเป็นปัจจัยแก่ขันในปัจจุบันยังไงขันในปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่ขันใน อนาคตยังไงสาวออกมาเป็นรูปแบบนี้จะเป็นปฏิจจสมบท เ, ม เ, เ, เป็นปัจจัยกันเองได้ก็ไม่พ้นจจขันเป็นปัจจัยแก่ขันขันเป็นปัจจัยแก่ขันอยางนั่นแหละก็ได้รูปแบบแบบนี้ทีนีเ้เมื่อกล่าวแบบนี้ก็ยังกล่าวในลักษณะของวิเศษลักษณะที่พิเศษกับสามัญ แต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันก็หมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วนะอันนี้อันนี้ประกาศเริ่มประกาศความเป็นสามัญของสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีเหลือสักอย่างหรอกสิ่งที่อนาคตถ้ามันจะมีมันก็จะชิบหายข้างหน้าต่อไปนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็เสียหายอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายและก็คลายกําหนัดในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะที่พระองค์เนี่ยเป็นเป็น เป็นความสา ม, มารถของพระพุทธเจ้าที่มาบัญญัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นว่าให้คิดแบบนี้นะคิดตามสูตรอย่างนี้แล้วจะพ้นทุกข์เขาเลยใช้คําว่าสูตรแต่ะนะสูตรเขาเลยใช้คําว่าสูตรก็คือถ้าเธอคิดตามสูตรแบบนี้นะแล้วเธอจะหายป่วยอย่างนั้นเถอะเธอจะหายโรคคือโรคคือกิเลสอ่ะนะอันที่จริงนะตรงนี้เป็นหัวใจเลยนะเป็นเรื่งสำคัญมากเลยในการเจริญนิพพานาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนี่นะท่านถ้าหากว่า ท่านยังไม่มีหลักฐานนะผมมีให้นะในเรื่องวิเศษลักษณะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรวบรวมวิเศษลักษณะของของขันเนี่ยทั้งหมดเลยนะมันมันทั้งรูปขันและนามขันเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นเล่มเลยคืออาจารย์สมพรเนี่ยเป็นเล่มเลยเช่นเช่นรูปขันเช่นจากคูภาษาทาเนี่ยมันมีลักษณะอะไรบ้าง4ประการได้แก่ความใสของหมหาพุทธรูปเป็นลักษณะอย่างนี้นะหรือการแสแวงหาอารมณ์เป็นเป็นกิจ หรือว่าผลปรากฏคือทําให้เกิดจกักรวิญญาณเหตุใกล้ก็คือมหาภูต ร, รูปที่เกิดจากกรรมเป็นเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะคือท่านบอกไว้เนี่ยแต่ละอย่างอย่างเนี่ยสี่อย่างเนี่ยนะะทุกอย่างหมดเลยทั้งทั้งเวทนะตัญญามทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดนั่นแหละครับเจ็ดทนะิเบตผมมีถ้าใครต้องการก็ <c oughs> ก็ยังมีอยู่นะก็มาลงชื่อไว้ที่อาจารย์เจตุดา <c oughs> ผมจะามาให้แต่ก่อนผมไม่เห็นความสําคัญครับ จ, จุดมุ่งหมายของการกล่าวปัจจัตตลักษณะหรือวิเศษะเนี่ยนะลักษณะแปลว่ากำหนดนะนะคือพูดถึงกำหนดความพิเศษหรือกำหนดความเฉพาะตัวเนี่ยนะถ้าถ้าแปลแบบไทยๆเลยกำหนดความพิเศษหรือกำหนดความเฉพาะตัวของขันทั้งหลายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทอนส ก, กายะอย่างที่ทกล่าวไป ในความพิเศษความเฉพาะตัวเนี่ยบางอย่างในฐานะเป็นปัจจัยบางอย่างในฐานะเป็นปัจจยุบันก็เป็นเหตุเป็นผลเพื่อละอะไรเพื่อละเข้าใจผิดว่าผู้ใดผู้หนึ่งม า, ส ร, างสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดลอยลอยเนี่ยนะแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละทั้งอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละอนาคตก็เป็นอย่างนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าธรรมะิติธรรมนิยามนะพระองค์จะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ทั้งหละก็ก็เป็นอย่างนี้แหละ ว่าปัจจุบันมันเกิดจากปัจจยัยอดีตปัจจุบันมันก็เกิดจากปัจจยัยอนาคตต่อไปปัจจุบันมันก็เกิดจากปัจจยัยเช่วนว่าอดีตสังขารก็เกิดจากอวิชชาอน า, าคตสังขารก็เกิดจากอวิชชาปัจจุบันสังขารก็เกิดจากอวิชชานั่นแหละหรือว่าวิญญาณทั้งหลายเกิดเพราะสังขารแม้ในอดีตการสังขารก็เกิดจากวิญญาณก็เกิดจากสังขารอน า, าคตต่อไป วิญญาณก็เกิดจากสังขารปัจจุบันนี้วิญญาณก็เกิดจากสังขารเนี่ยนะพระพุทธองค์บอกเลยว่าพระองค์จะเกิดขึ้นหรือพระองค์ไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะปัจจัยกับปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระองค์เอามาเปิดเผยในส่วนนี้นะีส่วนนี้พระองค์เอามาเปิดเผยขึ้นว่านี้ปัจจัยนี้ปัจจยุบันนี้อวิชานี้สังขา น, นี้วิญญาณ น, นี้นามรูปนี้สลายตัณนานี้ภาษาเนี่ยนะก็บัญญัติ คือคืออาศัยคำสอนที่เรียกว่าบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงเวิชามานะบัญญัตคือบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วมาเปิดเผยแต่งตั้งประกาศทำให้ง่ายเ น, นแล้วก็จะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็คำสอนของผู้แเจ้าก็จะชี้นำต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะเริ่มเตือนแล้วนะ มันครบไม่ได้นะมันพึ่งไม่ได้มันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดามันมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงควรจะเบื่อหน่ายและคลายกำหนับในในสิ่งเหล่านี้พรันในบรรดาปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าดับปัจจัยอันนี้ปัจจยุบันอันนี้ดับเช่นว่าถ้าสํารอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจะดับถ้าสังขารดับวิญ ญ, ญาณก็ดับถ้าวิญ ญ, ญาณดับ นามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตระหก็ดับก็ไล่ไปว่าความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนะมีด้วยอาการอย่างนี้ก็จะมาประกาศมาเปิดเผยทําให้ง่ายเนี่ยนะทำให้เห็นแต่ว่าในส่วนของทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพระองค์มาสอนมาสอนให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ามักคือข้อปฏิบัติที่เข้าไปใไข้ครวนไปเจริญอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าอ่านนะ ซึ่งเราจะพบในสูตรต่อไปต่อๆไปนะว่าพระพุทธเจ้าก็รู้ขันท่าแล้วพ้นทุกหรือบรรลุนิพพานเนี่ยนะกับสาวกทั้งหลายก็รู้ขันท่าแล้วบรรลุสาวกกับพระพุทธเจ้าต่างกันตรงไหนต่างกันทั้งที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วเอาทางเหล่านี้มาเปิดเผยมาแนะนํามาชี้แจงมาประกาศส่วนสาวกคือผู้เดินตามทางเหล่านั้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหเอะก็อยู่แค่ธรรมชาติเลยไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้าอะไรสักอย่างนะครทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยได้เกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมชาติอยู่แล้วนั่นนะผมขอถามว่านาทีหลังนะครับอันที่จริงนะลักษณะนี้นะฮะมีความสําคัญมากเลยถ้าเราไม่รู้ลักษณะนะฮะเพราะขันห้าบางอย่างรู้ยากมากเลยถ้าเราไม่อาศัยปัจจ วิเษสารักษณ์นี่เราไม่มีทางรู้เลยเราคิดเอาเองไม่ออกเลย<ม>เช่นเช่นบรรดาจะอ่ะะาาษาธรูปทั้งหลายนี่นะรูปเกิดจากกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกๆึกกเอาก็ออกนะ<ม>ถ้าถ้าแข็งหรือเสียงอะไรกลิ่นอะไรเนี่ยยังพอกลุ่มที่เป็นวิสยรูปเนี่ยจะไม่ยาก<ม>นะนะเช่นอนะรูปารมสัทธารมคันธารมราษารมโพธารมอ่ะนะที่เอาวิสยารูปเจ็ดเนี่ยจะไม่ค่อยยากนะ แต่ว่ากลุ่มรูปที่เหลือเนี่ยนะจะเริ่มยากขึ้นไปอีกเช่นภาษาทารูปนี่ก็มีความลึกซึ้งลงไปเพราะว่ามีกรรมเป็นเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยเนี่ยนะรู้ได้รู้ทางใจอย่างเงี้ยแล้วก็<อ>รู้ทวารใจรู้ทางทวารใจเราคิดดูนะ<ม>ถ้าเราเจรศิปัฏฐานโดยไม่มีการตรึกนะไม่มีมรณสิการ์ไม่มีโยนิโส น, นะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับภาษาทารุปเนี่ย<ม>ไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้เลยว่าเป็นการ เป็นการจเจริญปัสนา ท, ที่ไม่ตรงตามคำพีครับตอนนี้ครับอย่างพูดถึงกาเดินในสายมันยัตนามเนี่ยความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาคิว่าค่ควรค่ควรวิเศษาร์ลักษณะเพียงพอแล้วใช่ครับก็ในถ้าว่าโดยลำดับนะบอกว่าไปเรียนไปท่องไปสาธยายขันธาตมาให้ดีกันแล้วกันมาเงี้ ทีนี้ต่อไปท่านบอกว่าถ้าเรียนเรื่องขันห้ามาดีแล้วทําไงต่อไปท่านก็บอกว่าเริ่มให้พิจารณารูปก่อนนะ น, นะตัวรูปคืออะไรบ้างเกษาโลมานะขาธันตาตะโจนี่รูปทั้งนั้นแหละใครควรเนอะเนี่ยน ะ, นะแล้วก็ถ้าไพ่ควรถึงโดยเฉพาะท่าสีเนี่ยนะโดยอาการย0ชสบัดก็ความใสของท่าสีนั่นแหละเป็นจกักรปูภาษาท่ความใสของทาสีนั่นแหละเป็น โสตภาาธาความใ ส, a, สของธาตุสีนั่นแหละเป็นคานาภาษาทะความใสของธาตุสีนั่นแหละเป็นชิวหาภาษาทะความใสแห่งธาตุสีนั่นแหละเป็นกายะภาษาทาเนี่ยนะแล้วก็มหาพูดเหล่านั้นอีกนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดหาทะยะเกิดภาวะเกิดชีวิตก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นปัจจัยแก่อะไรเพราะว่ามหาพูดเหล่านั้นก็อยู่ที่ปัจจัยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะโดยเฉพาะกรร ม, มปัจจัยเนี่ยที่เป็นปัจจัยให้มหาพูดจะเป็นไปยังไง ทีนี้มหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะเช่นว่ามหาพูดคือถ้าพิจารณาผมมหาพูดคือผมไอสิ่งที่ไปคิดผมเนี่ยคืออะไรไอนะที่ไปคิดถึงเรื่องผมอะคืออะไร <c oughs> ก็คือนามมาทำทั้งหลายท่านก็นเริ่มมาแยกว่าถ้าใสา่ใจในผมครั้งแรกตกไปในผมครั้งแรกเรียกว่าภาษะมีความรู้สึกในผมเป็นเวทนาหรือไอความคิดถึงผมอันนั้นรู้แจ้งผมอันนั้นเป็น วิญญาณเนี่ยนะก็มาแยกจิตเนี่ยนะก็เริ่มแยกให้เห็นแต่แรกๆถึงเรื่องอภาษาปัญจกะเนี่ยนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนานะก็จิตนะนะก็จะเอาภาษาปัญจกะนั่นแหละมาใคร่ครวร น, นี้อีกในหนึ่งถ้าอีกในหนึ่งก็พิจารณาตัวจักขคู่ว่าจักรคูเนี่ยประกอบด้วยธรรมะอะไรบ้างพิจารณาว่าสีเนี่ยสีอะเกิดจากธรรมะอะไรบ้างจักรคูกับสีเกิดจักรคูวิญญาณเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดปัจจัยกันขึ้นประชุมขึ้นแล้วมันเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปก็ก็ไข้ครวญแต่ในชั้นแรกเนี่ยให้ไปเรียนไปท่องไปสาธยายให้มันชํานาญก่อนนะนะ ก, ก็ก็ไกลถึงฮอนกโคก็จํำไม่ได้ไปอ่านอะไรออกบ้างก็ไม่รู้ น, นะความจริงนะฮะเรื่องนี้นะฮะเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะตั้งแต่พระผู้มีภาคเจ้าลงมาเลยทั้งถึงภาษาวกถึงอัตถกาถาจารย์ ทัานรวบรวมไอ้ไอเครื่องมือให้เราไว้ไม่พร้อมเลยว่าเราแต่ทีนี้ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ที่เป็นอยู่น่าคิดเหมือนกับโลกยุคนี้เลยว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะประมวลหลักวิชาเอาไว้มากเหลือเกินเสร็จแล้วไอ้คนรุ่นหลังๆมันเรียนตามไม่ไหวไม่รู้จะเรียนอะไรเหมือนกันนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันนะะรวบรวมไว้ให้หมดเลยนะจะเริ่มใช้ยังไงกันแน่เหมือกับมีช้อนมีส้อมมีมีดมีอาหารพร้อมหมด ประกอบกินเองก็แล้วกันเลยมีพร้อมหมดก็มีดูวิเศษลักษณะทั้งหลายเนี่ยนะก็อยู่ในคำพีต่างๆะแล้วอาจารย์รุ่นหลังๆก็ไปหยิบออกมาหยิบออกมาหยิบมรวมเป็นเล่มไหมว่อการการรวบรวมธรรมะบางอย่างให้ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าผู้ที่รวบรวมธรรมะเนี่ยนะบางคนน่ะปรารถนาพุทธภูมิเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเรียนให้มันหมดทุกเรื่องใครครวนให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะ กับอีกกลุ่มบางคนเนี่ยเขาต้องการเขาจะต้องไปทรงพระไตรปิฎกต้องไปเป็นอัครสาวกในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าต่อๆไปเนี่ยเขาจะต้องค้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ น, นะเพื่อจะเป็นอุปนิสัยต่อไปข้างหน้าทีนี้ไ อ, อ้ที่สําคัญอย่างหนึ่งคนที่ไม่อิโนโอยเนอะไรกับเขาเลยกลุ่มเราเนี่ยโอ้โหเราต้องขนาดนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือคือภาระอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาตอนนี้ี ถามว่าไงอัธาที่คุณตงการถามหมายถึงอะไรนะอัธาหมายถึงพบเลยเช่นว่าอัธานี่นะอัตติแต่อัธาอนาคตอัธาปัจจุบันนอัธาอดีตอัธาก็คือชาติที่แล้วอนาคตอัธาก็คือชาติหน้าปัจจุบันอัธาก็คือชาติเนี้ยชาติปัจจุบันนี้อัธาใจว่าอะไรตรงตัวท่านหมายถึงพบอ่ะนะ อัฐาเนี่ยโดยสาหน่าจะหมายถึงกาละแปลว่าเวลาก็ได้มีข้อเดียวครับอ๋อมีข้อเดียวไม่ถึงหานาทีเลยนะนี่แล้การการพิจารณาธรรมะเนี่ยนับว่าํำสอนเนี่ยอย่างที่ว่าถึงยังไงเสีย ภาพปริยัติธรรมก็คือสารณะจริงๆเพราะฉะนั้นการทรงจำภาพปริยัติธรรมนี่สำคัญมากทีนี้ถ้ า, อ ย, าอย่างว่าถ้าเราสํานวนว่าไม่ได้มักใหญ่ใยายเจริญมากนัก น, นะายแคบๆคือฝ่ายว่าทํำยังไงที่จะพ้นทุกเฉพาะตัวนี่แหละไม่ ง, งั้นเดี๋ลูกหลานใครจะเรื่องของเขาไปก็คือปากใครท้องใครใครก็เป็นใครไปไม่เกี่ยวกับเราอะไรเลยเนี่ยนะ ก็ไปใคร่ครวนเอาสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นที่พอใจแล้วก็พิจรารณาทําความเข้าใจจนเห็นว่าอะไรเป็นสัตว์จะอะไรนะแล้วก็เจริญตามนั้นพอละพอละถ้าจะว่าเฉพาะตัวนะก็สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ไดเรียนพิสดาร น, นะโดยมากนะคือคือคือสมัยที่สมัยคนสอนเขามีความสามารถสูงอ่ะนะทั้งเขาดูเขารู้เลยว่าคนเนี้ต้องเป็นเรียนเรื่องนี้ แต่บางครั้งก็ยังมีพลาดบ้างเหนไเอานะแกเอาสูตรนี้ไปไปเจริญสูตรนี้เลยนะเช่นอย่างภาษาที่บุตรแนะนํานะว่าเออถ้าเขาถามเธอนะเธอไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบอกสอนให้กําจัดราคะกําจัดราคะในอะไรในอุปาทานขันท่าถ้าไม่กําจัดราคะมีโทษอะไรอา่ามีโทษคือมันก่อให้เกิดโศกกาปริเทวะถ้ากําจัดราคะคุณคือยังไงก็ไม่ก่อให้เกิดโศกกาปริเทวะนะนั่นแหละคือให้เธอไปคิดเรื่องนี้แหละ ไปไปเจริญอย่างนี้ให้มากไปไข่ควรอย่างนี้ให้มากหรือว่าสูตรอย่างสูตรเมื่อกี้บอกว่าถ้าครุ่นคิดถึงสิ่งใดก็นับว่าสิ่งนั้นแหละถ้าไม่ครุ่นคิดในสิ่งใดก็ไม่นับในสิ่งนั้นนะนั่นก็ไปเจริญของท่านไปก็แค่นั้นท่านก็พอที่จะแทงตลอดอริยสัจแล้วนันะของเราก็เรียนแบบคือคือเห็นทรัพย์สินพระพุทธเจ้าเยอะขอแบ่งมั่งห่อนะเรียนเรียนหมดเลยา จ, าจะดีเรสมยัย าากการถาาารถ้มสเห็นนสูตรตร่างงๆเี้้ักิด <c oughs> ดีคนละอย่างเอาเงี้นะว่ า, าถ้าเราเข้าไปในร้านขายยานะไปเห็นแล้วเขาเขียนยี่ห้อายาให้เราไปเลือกอ่านได้หมดเลยนะกับมีเภสัชที่เขาจัดยาให้เฉพาะเลยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเภสัชจัการขายไปแล้วจารยคยสอนขอเลือกเอาเลยนะนั่นแหละ อาพระไตปรปิฎกไว้ที่โต๊ะ อ, อยู่แล้วก็เลือกเอ า, าสูตรยาเนี่ยตํำรับเป็นอย่างนี้แหละแต่ผลว่าผลแล้วว่าถ้ากินเสร็จต้องรู้อริยตัด น, นะาอะไรเงี้ยพันธาถ้าเข้าใจจริงๆอะนะอย่างพระในในพระไตรปิฎกอย่างพระเอกุท ธ, ธานเถระเนี่ยนะก็คือเอกะบอกอุทานเนี่ยนะ ท่านก็อุทานอยู่คาถาเดียวเนี่ยนะเพราะว่าท่านฟังมาไม่มากนะักแต่ว่าท่านปฏิบัติบรรลุอริยสัจได้เนี่ยนะก็คือเอาไปไข้ครวนเป็นหลักเลยนะก็คือรู้แจ้งเข้าใจคําสอนใดก็ใคร่ครวนคําสอนนั้นอะ่ะสำนวนว่าตลอดเวลาเลยไม่ไม่เลือกจนกว่าจะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะพอแทงตลอดอริยสัจถ้าโดยพยัญชนะท่านก็รู้เท่านั้นเนะ่ยเพราะฉะนั้นความเป็นพหูสูตรจึงมีอยู่สองกลุ่มพหูสูตรเนะี่ย อ่านเจอในพระไตรปิฎกจะมีสองอย่างคือสูตพะพักหูสูตรอย่างหนึ่งพหูสูตรเออเข้าไปเออพหูสูตรแบบเรียนมามากอ่ะนะอ่านมาเยอะเรียนมาเยอะท่องมาเยอะอันนี้เรียกว่าโดยสูตรตักับโดยปฏิเวทเนี่ยนะโดยปฏิเวทคืออย่างอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพหูสูตรแต่เป็นพหูสูตรแบบแทงตลอดแบบบรรลุอ่ะนะพุทธเจ้าก็สรรเสริญเออพหูสูตรแบบแบบตรัสรู้เนี่ยนะ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตําหนิผู้ที่เป็นหูสูตรแบบแบบทรงจําหรือแบบฟังบางสูตรนี่ยกย่องเลยนะว่าผู้ที่ผู้ที่ฟังมามากสดับมามากเนี่ยเป็นพุทธะเลยเป็นเป็นสุตตพุทธะเนี่ยนะนันก็ยกย่องว่าเป็นพุทธะ <c oughs> แต่ว่าก็บางสูตรก็ตําหนิอีกนั่นแหละอย่างพระท่านนนท์ก็ตําหนิว่ารู้ธรรมะแต่ว่าดูหมิ่นคนอื่นแล้วก็ไม่เอาไปเจริญไม่เอาไปปฏิบัติตอะไรหรอกตรงนี้ก็คนตาบอดถือคบเพลิงเหมือนกัน นะท่านก็ตำหนิให้นะแล้วก็บางสูตรก็บอกว่าถ้าไม่เรียนอะไรเลยก็เหมือนกับโคอ่ะโคที่มันแก่เปล่านะเจริญแต่เนื้อหนังสติปัญญาไม่เติบโตเลยเนี่ยนะอันนะั้นก็มีบางสูตรที่ตำหนิอีกเหมือนกันเนี่ยนะนะเรียนมากแล้วไม่เจริญก็ตำหนิอีกเหมือนกันเนี่ยนะแล้วนกะนะ็ตัวเนื้อหาจริงๆก็คำสอนก็อะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือชี้ธรรมะเพื่อความ ดับทุกข์เมื่อรู้หรือเข้าใจข้อปฏิบัติหรือคําสอนเพื่อความดับทุกข์แล้วอ่ะไม่ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็น่าจะตําหนิใช่ไหมเหมือนกับแพทย์ทั้งหลายที่รู้ยานะตัวเองก็ไม่ยอมกินยาก็ยอมให้ป่วยท่องแต่สูตรยามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ยอมกินนะะทั้งๆ ท, ท, ที่ก็พอรู้อยู่แล้วอ่ะเนี่ยก็อันนี้แพทย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้จะได้รับการตําหนิฉัน้นใดผู้ที่ศึกษาคําสอนแล้วก็ไม่เน้นเอาไปเจริญไปพอกพูนให้มากก็จะถูกตําหนิเพราะว่า ไม่เอาไปเจริญแต่เรื่องฟังนี้เขาไม่ตําหนิหรอกเรื่องฟังเขาจะเขาจะตําหนิเอาเรื่องสูงกว่ามาตําหนิเนี่ยนะว่าเขาขาดคุณธรรมอันนั้นอย่างในวันเสาร์ที่แล้วที่กล่าวถึงการรู้ความยิ่งความหย่อนของบุคคลใช่ไหมอ่านะว่าบางคนนี่ก็อยากเห็นพระริยะกับบางคนที่ไม่อยากเห็นพระริยานั้นคนที่ไม่อยากเห็นพระริยะก็น่าตําหนิเพราะไม่อยากเห็นอนะคนที่อยากเห็นพระริยะก็น่ายกย่องเพราะอยากเห็นอนะน่าสรรเสริญ ผู้ที่อยากเห็นท่าระยะก็มีอีกสองพวกว่างั้นไอ้คนเห็นเฉยๆกับเห็นแล้วอยากฟังทำนั้นคนที่ไปเห็นแบบเห็นเฉยๆก็หน้าตําหนิคนที่เห็นเพื่อที่จะฟังทำก็น่าสรรเสริญอนะผู้ที่ฟังแล้วก็แบ่งออกเป็นสองอีกหนะอยแยกเป็นสองส่วนฟังแล้วก็จํากับฟังแล้วก็ไม่จําอะไรเลยไอ้ฟังเฉยๆเนี่ยนะแล้วจำอะไรไม่จําเลยก็หน้าตําหนิเพราะไม่จําคนที่จําก็น่ายกย่องเพราะจําคนที่จําก็แบ่งออกเป็นสองพวกอีก นะว่าจําแล้วไปเพ่งอัตทะเนี่ยนะจนเข้าใจอย่างตลอดใครคนหนึ่งก็จําไปไว้เฉยๆก็ไม่ได้ไปไข่ครวนไปตึกไปใคร่ครวนอะไรก็หน้าตําหนิเพราะไม่ไข่ครวนคนที่ไปไข่ครวนก็หน้าชมเชยเพราะไข่ครวนทีนี้คนที่ใคร่ครวนแล้วไปปฏิบั similar, would, ติธรรมสมควรแก่ธรรมก็หน้ายกย่องเพราะปฏิบัติตามไอ้คนที่ไม่ได้ไปไปปฏิบัติก็หน้าตําหนิเพราะไม่ปฏิบัติทีนี้คนที่ปฏิบัติแล้วอ่ะ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำตรัสรู้แล้วนะแนะนำคนอื่นกับไม่แนะนำคนอื่นผู้ที่ไม่แนะนำคนอื่นก็น่าตาหนิเพราะว่าไม่แนะนำคนอื่นเนะนะี่ยนะก็ก็ก็แล้วแต่ว่าเอาระดับไหนมาเป็นเครื่องวัดนะเพราะฉะนั้นก็เขามีส่วนเลวบ้างกระช่างเถอะ